วันที่แสดไหนวันที่มีผ่ากลุ่มผ้าเลยนะมีผ่ากลุ่มผ้าสองขั้นผีลอยสงขั้นหาลอยผีชุดเก่าผ่านมาสองเดือนแล้วรางคนกับทำบุญร่าเกิดรางคนกับร่างเกิดผีหลีรางคนกับร่างเข่าร่างปวย เออนังค้นก็กับานั่งจิตตายก็มีี่ละในมือนี่ละเพราะฉะนั้นเขาเกิดว่าเขาเกิดมาแล้วเป็นครูเป็นต้นของเขานี่ยมันโชคดีแล้วนี่มันไปเกิดเป็นแนวอื่นกันหลายเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นง่วนเป็นขั้วยเป็นม้าเป็นแมวมันหลายอยู่เขามาเกิดเป็นค้นเหมอนจักวัวดีหลายดีแสนดีเราเกิดมาพอศาสนาของพระพุทธเจ้า ใครเป็นแม่นย่อนเฮ้าเคยเกิดมามีบุญพระพุทธเจ้าอยู่หรอกเพื่มันเกิดสมัยเพิ่นอยู่นํากบวชจักบุญมุ่นนั้นคือยังได้คอให้เดยให้เฮาเยี่ยนไปวนมาแล้วมาเกิดพ่อพระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยอยู่ได้นี่คือว่าศาการที่แล้วเพื่อที่พ่อพระพุทธศาสนาพบระพุทธศาสนาอยุคไอ้ว่ามีบุญเนอะในโอกาสย่มในประเทศบุญเรื่องคนก็ซื้อเอา วันที่มันครบรอบปีเกิดครบรอบวันเกิด ม, มาเหตุบุญหลงค้นก็เหตุบุญในฤดูกาลอื่นวันมาฆะวันวิสาขควันสิ้นวันสิ้นหน่อยวันสิ้นใหญ่นี่หละอันนี้เบอกถึงว่าพุทธบมุมีเวลาหลายคันพุมธีุเวลาหลายเราเฮ็ดซื่มือบุญเนี่ย เฮตคือมือบุญนในเฮตได้หลายแนวดอกทำท่านก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนานแห้งบุญหลายบุญใหญ่ภาว น, า, นาเนขาเฮตใจสุยามให้ท่านกับเฮตไ ด, ใ, ดในบางครั้งบางข้าวเช่นใส่บาตรข้ามบอกเอาสิ่งเอาของไปท่านคนอยากคนจนบอกลอยเหลือเขาซอยเขาเฮ็ด น, นัน่นเฮ็ดนี่บอกจริี่นะ ว า, ายเขาคือเป็นวูเขาอย่านเขาหย่านชี้ยังสิเป็นวูเขา่าให้เขาอย่านชี้ยังสิก็เป็นบุญบอกถนนทนทางเขากับเป็นบุญเนี่ย น, น, นะอันนี้รักษาศีนจะรักษาค้อมบอดีจะของถลาย่าให้มันนีย้ยาให้มันเกิดถ้าหีแล้วก็เอาออกนะเอินรักษาศีนไม่ศี น, นหาไม่ศีนแตกหาหลังค้นกับบ่มีโอกาสไเจ็บมือแผลมือจ จังบารักษาศีลเช่นหนึงมันอยู่ในโลกนั่นกันจีมันศีลมันปลอดไข่อีลีนี่มันบกไฟได้อยู่ในโลกมนุษย์มันต้องตัวกันนี่จีมันเป็นว่าวโผ่ัวเลยเนี่ยแต่หาได้งายจีซึ่งแต่เล่มศีลกังมารักษาศีลเน่ยกันจะนี่เป็นบางโอกาสกันจะเริ่อนภาวนาให้ได้สุญามพอรังอยู่น้ใจเข้าใจเข้าเนี่ ขันท่าหูจักซ่อมซะซ่อมร่มหันใจมีบอล่มหันใจเข่ามีบอร่มหันใจออกพี่บอจังงๆเพราะจซ่อมปั๊บมันเป็นโหลดภาวนานี่ยมันนังยืนไสแล้วซ่อมต้องยู่นี่แหละเมื่อก็เป็นเป็นโหลดเป็นภาวนาเป็นภาวนามีบุญใหญ่ด้วบุญใหญ่คือจัิงสิล่ะคือจังเท่าหาเนี่ยมาอยู่มากินนี่แหละพาลังคนไปหุ่นสะก้อนแตหาคุดหัวคุดเท้านสะก่อนฝูเข่าฝูก คือท่านท่านย่าหานตะก้อนได้เข่ามะเดียจังค่อยเอามากินไอ้สินั่งก้นเอาสิ่งเอาคองไปหาขายตะก้อนจะขายแล้วจังซื้อเข่ามากินอย่งนี้นะฮะไดว่าขันผู้ใดภาวนาคือจังยิบเข่ามากินโหลดเพราะต้องไปหากลัวหาเห็ดยุบจันละ่ะภาวนามันดีสัญล่ะได้โดยตรงอันนี้ได้อันนี้แล้วมันจังสิไปน้าเท่าได้มันมีั่อยน้าจิตน้าใจได้ กันใดแมลงอื่นใดเงินได้ามมากมันบ่าไปดอกมันอยู่ในหมีเมื่มันเฮียมันโลคนกตาเมื่นี่แหละเป็นเหตุภาวนาเด้อในจิตใจมันเกิดสมาธิเป็นสั้นเป็นสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในใจนะมันเกิดเป็นขั้วเบิกบานคั้มพงขั้มเย็นอันนั้นแหละไปน้ำเมนใดเขาได้จะไปได้ไปเมื่อแมลงอื่นหรือเหตุมาแล้วมันกองใยเหมืนได้ก็ได้ชิมใบหนีเขามให้เอาไป แม่เอาไปฟเอาไปว่าได้หรอกมันนะเพราะขันเทีเอาบุญนี่ทีละได้โอกาสเนียในเหตุโหลดมาที่นี่กันเท้าขึ้นที่แล้วยามเขาเหตุท่านมีโอกาสกลับไปเหตุย่มใดมีรักษาศีลกลับไปรักษาจริงๆนลยขันย่ำภาวนาเนี่เทียมันคือย่มได้หน่อยเลยละแต่เทียนจริงๆเนี้ยมันเป็นดอกเป็นภาวนาเป็นบุญลายเกิดมาอยู่ในโลกนี่ยมันเอาเนื้องี้ กันพูดตลาดเอาบุญการคุปตะตลาดจะไปเอาหาเงินมาใสธนาคารไป้หลายหายบอกหาให้หาหน้าไว้หลายหายบอกจริงๆอีดินอยู่ภาคเหนือแต่มีภาคกลางก็มีภาคไต้ก็มีอีสากนก็มีมีสัพย์มีสินพอที่ต่างประเทศอยู่ประเทศสวิตสุดนะแต่มีแ น, น, น, น, น่เอาไปบอสให้สู้นั้นเอาไปว่าได้มันเอาไปว่าได้เมื่อจากยางสิ่มไปนี่ บืงสี่ดินเขาซ่อมมืเปน็นยังสี่ดินเนี่ยน้งคนมีสี่ดินหลายเป็นพันๆให้ไว้กันมาตายไปเลยเนื้อใบเมดเบ่อบเอาไปจักเม็ดเลยน้งคนกับเอาหัวไปล่อมมาอีกนะขอบหย่านคนมาลักหย่านคนมาเอาหย่านคนมาบุกลุกเนี่ยมาตายให้เป็นว่าเอาไปซ่ํามาหนึ่งหัวงูสันนั่นแหละหามาสิลมสิตายเพราะอไรอย่งนั้นหอกที่มีเข้าไป โชคดีลล่ะแม่พ่อพขาพุทธเจ้ามาพ่อพระศาสนาเป็นสอนเท้าเห็ดบุญอันเท้าไปเพียบดีไสน์เราเป็นบุญดอกนี่โยโอกาสสีเห็ดบุญร้ายในบ้านเท้าเมืองเท้านี่วันเกิดถึงสิคือว่าหอดมือวันเกิดเท้ารังคนกับปีหนึ่งยังหอดมือวันเกิดแค่นึงแล้วรังคนกับเย็ดมือก็หอดดอกวันเกิดเน่ะเขาเกิดกันหยังวันจันทร์วันอังคารพุทธพุทหัสทุกเสา เฮ็ดมือกะว่นมาหอดแล้วเฮ็ดบุญเี็ดเป็นแต่ก็ได้อารังคตเดี๋ยวนี้โอกาสไ่ทีปนึงจานกีนึงสามร้อยหกชิ้นหาหมวยจังเฮ็ดแค่หนึงกระไดันึ่ก็ไดยุคหนึสีเจ้าพักกนรเทดทำบุญบุญอย่แมนแนวเฮ็ดเด้๋ยวได้ใครได้มั่นมันอยู่ในใจใครใจมั่นยังเอาไปได้เอาบัดรอยู่สารพ่อมบัตนี้เด้อ